ก็ขอจเจริญพรญาติโยมวันนี้ก็ตรงกับวันที่ห้าเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตรงกับวันวันอะไรวันอังคารแล้วก็ตรงกับวันห น, วหนาวด้วยช่วงนี้อากาศจะจะหนาวเย็นอยู่ แต่วันนี้ก็ดีกว่าวันก่อนๆเยอะก่อนนี้เมื่อวานเมื่อวานซืนค่อนข้างจะหนาวทั้งวันแต่วันนี้ก็มีมีแสงแดดฝนไม่ตกก็อบอุ่นขึ้นอตอนนี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็นั่งพูดอยู่คนเดียวนะนั่งพูดอยู่คนเดียวส่วนคนมาฟังเราก็ไม่รู้ว่ามีใครมาฟังบ้าง มองไม่เห็นด้วยตามีแต่โปรไฟล์ที่โชว์ขึ้นมาว่าชื่อนั้นชื่อนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็เช็คชื่อส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกันน ะ, ะเพราะว่าเป็นขาประจำวันนี้หลวงพ่อมากําหนดหัวข้อเองก็คือว่ามาฝึกรู้สึกตัวกันเดี๋ยวนี้ตอนนี้หลวงพ่อนึกถึงเหตุผลว่าทาไมหลวงพ่อต้องตีกรอบไปแบบนี้เพราะว่า จากการสังเกตนะเวลาเราคุยกันเนี่ยบางทีเราคุยกันเรื่องคือมันนอกฐานของสตินะมันไปคุยเรื่องอื่นซะพอคุยเรื่องอื่นเสร็จแล้วมันก็ลืมตัวมันได้แต่ความรู้ความรู้จากที่แหล่งความรู้จากที่ต่างๆเนาะจากค น, าคนนู้บ้างคนนี้บ้างนะครูบาอาจารย์บ้างตำราบ้างคือมันมันไปเอามาจากข้างนอกแล้วก็เป็นเรื่องล้วนแต่เรื่องของความจำได้หมดเลย ดังนันเท่ากับว่ามาพูดกันมันก็เป็นเรื่องของความจําใครจําได้มากก็เหมือนกับว่ามีความรู้มากเคยอ่านเยอะฟังเยอะมันก็แน่นอนเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้แต่ความรู้ชนิดนั้นน่ยมันไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะมันเป็นความจำนะมันเป็นเรื่องของความจําแต่เรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรู้เป็นการสัมผัสรู้มันไม่ใช่ความจําเลย มันห่างกันฟ้ากับดินห่างกันมากเพราะนั้นความจำเนี่ยมันมันก็มีประโยชน์มีประโยชน์ในทางโลกมีประโยชน์ในการทรมาหากินมีประโยชน์ในการสอนถ้าเราเป็นนักเรียนเนาะเราก็จำมากเราก็ตอบข้อสอบได้ดีได้คะแนนเยอะสอบผ่านแต่เรื่องของวิชาสติปัฏฐานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความจามันเป็นเรื่องของการตื่นรู้ในขณะปัจจุบัน ตื่นรู้คือมันรู้ที่ตัวเนะรู้ที่กายรู้ที่ใจนี่แหละเออมันรู้ที่ตรงนี้อ่าแต่ก็เราก็ต้องแยกกันเนะไม่ใช่ว่าพอพูดอย่างนี้เอาเป็นว่าโอ้จะรู้แต่ตัวอย่างเดียวไม่ต้องรู้ข้างนอกเลยหรือไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคือต้องรู้ข้างนอกเหมือนเดิมอ่ะแหละแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเพิ่มเรื่องความรู้สึกตัวขึ้นมาเพิ่มความรู้ตัวขึ้นมาเพราะตรงนี้มันไม่เคยชินมันไม่ไม่ มือนกัว่ามันไม่ได้ฝึกมาก่อนมันก็รู้ตัวไม่เป็นมันรู้ไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องฝึกต้องฝึกทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยอืจะให้มันเกิดเองเนี่ยมันมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ได้สร้างเหตุเพราะฉะนั้นทําเหตุขึ้นมาเหตุก็คือเนี่ยอุปกรณ์ในการฝึกก็มีอยู่แล้วก็คือมีกายมีจิตมีใจใช่ไหมอ่ามีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกเนี่ย อย่างพ่อพูดอย่างนี้มันมีกายนะทุกคนก็รู้จักกายอยู่แล้วมีกายก็เอากายเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกกายเดินกายนั่งกายนอนกายโค้กายเหยียดกายเคลื่อนไหวนะกายหันซ้ายแลขวากายก้มเงยกายกลืนน้ําลายการเคี้ยวกายเคี้ยวกายกลืนกายกระพริบตาเออตากระพริบ เนี่ยเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการฝึกทั้งหมดเห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับตำราแล้วตำราเป็นแค่บอกว่าเออการฝึกสตินะให้มารู้กายนั้นตำรามันเป็นแผนที่มาบอกว่าเออนะฝึกฐานกายนะในสติปัฏฐานสูตรในเรื่องหมดกายเนี่ยก็มาฝึกรู้ตรงนี้นี่คือคําบอกของผู้รู้ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราถ้าเราคุยกันเรื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยเพราะนั้นให้กลับเข้ามาคุยแต่เรื่องกายเรื่องจิต กายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเนี่ยขณะนั่งอยู่เนี่ยกายนั่งเนี่ยก็รู้กายนั่งนิ่งๆก็รู้กายเคลื่อนไหวก็รู้หรือว่ากินน้าลายอ้าปากเนี่ยซึ่งมันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราลืมไปมันก็ไม่รู้อันนี้ก็ฝึกเรื่องเรื่องของกายส่วนฝึกของเรื่องเวทนาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกายใช่ไหมความรู้สึกไม่สบายกายเย็นร้อนอ่อนแข็ง ตึงไหวอันนี้มันก็อยู่ในกายก็รู้ได้นะมันเพราะว่ามันมีอยู่แล้วความนั่งนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยใช่ไหมเดี๋ยวก็ขยับมันก็อยู่ในกายแต่ถ้าแยกเป็นหมวดขึ้นมามันก็ว่าเออความไม่สบายกายเป็นเวทนาก็รู้เห็นไหมการรู้นี่มันไม่ใช่ว่าต้องต้องไปจําใครมานะมันต้องรู้เองร่างกายมีอยู่ก็ต้องระลึกได้เองะ คนอื่นแค่เป็นเพียงผู้บอกในเบื้องต้นเวทนามีอยู่ก็ต้องรู้เอาเองนะคนอื่นเขาก็บอกแค่เพียงเบื้องต้นเท่านั้นรู้จิตจิตก็คืออะไรล่ะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใช่ไหมเช่นที่เขาเรียกว่าเป็นพวกโทสะโลภะโมหะอะไรนะเงี้ยเวลามันมีปรากฏขึ้นก็ฝึกหัดมีสติหัดรับรู้ใชว่าอ๋อ มันเกิดขึ้นแล้วในจิตนะเกิดขึ้นแล้วในจิตในใจใช่ไหมความคิดความนึกอย่างนั้น ม, มันก็มีอยู่คนเรามันก็คิดทั้งวันเนี่ยก็ฝึกรู้มันก็นี่ก็ฝึกสติก็คือเรื่องเนี้เห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับตําราตําราเป็นเพียงแค่บอกเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเราคุยเรื่องตํารามากเกินไปมันก็ลืมตัวหลวงพ่อจึงจริงๆไม่ค่อยจะพูดเรื่องเรื่องไงเรื่องพวกนั้นมากหรอกพะรู้ว่าถึงรู้ จำมากับมันดับทุกข์ไม่ได้ไงแต่การดับทุกข์ได้เนี่ยคือเรื่องของสติเป็นเรื่องของความระลึกรู้เพื่อที่จะพ้นไปจากอ่าก็เรียกว่าพ้นไปจากความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นแหละอ่าทีนี้หมวดธรรมะหมวดธรรมะเนี่ยมันกว้างขวางแผ่นหนังตำลาก็พูดถึงอะหมวดธรรมะอะไก็ไปอ่านมาแต่เวลาภาคปฏิบัติจริงอะธรรมะมันอยู่ที่ไหนเรามันอยู่ในใจธรรมารมทั้งหลายฮะนิวรต่างๆ ใช่มมันก็อยู่ในใจหมดอะความลังเลสงสัยความพยาบาทความวิจิตรฉาความ่วงเงาเหงานอนนี่พวกการมมราคาต่างๆมันก็อยู่ในจิตในใจหมดเลยรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นหนทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยต้องกลับมารู้ในตัวเรารู้กายาวาหนาคืบนี่แหละรู้ทีนี้อ่านี่หลวงพ่อก็เกินมาก็เพื่อให้เข้าใจว่า การฝึกรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็คือนี่ไงกําลังพูดนี่ก็รู้อยู่กําลังสมมตุติอันนี้หลวงพ่อพูดแบบว่าไม่ได้ทีละขั้นทีละตอนหรือว่าฐานใดฐานหนึ่งเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าแบบรูปแบบถ้าปฏิบัติตามรูปแบบก็อาจจะไปกําหนดฐานใดฐานหนึ่งเป็นเบื้องต้นก่อนเช่นฐานกายก็คือรู้กายอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจแต่ถึงไม่สนใจมันก็ต้องปรากฏให้รู้อยู่ดีนะ สมมติว่าเราเริ่มต้นจากรู้กายใช่ไหมกายนั่งรู้กับกายนั่งนี่แหละนั่งอยู่ก็รู้อยู่นั่งตัวตรงก็รู้อยู่ไม่ต้องถามใครไม่ต้องบอกใครไม่ต้องถามใครเพราะอยู่แต่พูดเดียวรู้เองคนเดียวแล้วก็รู้อยู่นะกายนั่งตัวตรงนั่งเอามือไว้อย่างไงก็รู้ไปรู้ตัวเองรู้กายรู้กาย ทีนี้เมื่อรู้กายเขาเรียกว่าเฝ้าอยู่รู้กายอย่างเนี้ยแต่ไม่ใช่บังคับให้รู้กายอย่างเดียวถ้าบังคับเนี่ยมันก็ผิดอีกก็คือจะเรียกว่าอุปมาก็แล้วกันเวลาการฝึกสติเนาะให้รู้เพียงแบบพอพอเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าพอดิพอดีไม่ถึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปก็อุปมาเหมือนกำลูกไก่ในกํำ ม, มือเรากํำยังไงอะ่ะไม่ให้ลูกไก่หลุดมือกํำยังไงอะ่ะไม่ให้ลูกไก่มันตายเห็นไหมคือ กำยังไงไม่ให้มันหลุดมือกับกำยังไงไม่ให้มันตายอะใหม่ๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ากำแค่ไหนยังไงเราก็ต้องกำแบบค่อนข้างอาจจะแน่นไว้ก่อนเพราะกลัวมันจะหลุดมือใช่ไหมแน่นไว้ก่อนแต่พอกำไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้มันแน่นเกินไปนะเดี๋ยวลูกไก่ตายก็คลายออกมาหน่อยนึงพอคลายเรื่อยๆคลายเรื่อยๆเอาลูกไก่กระดูกกระดิกเฮ้ยมันทํำท่าจะหลุดมือแล้วก็กำแน่นอีกหน่อยนึง พอกำเน่นความรู้สึกว่าเน้นไปแล้วคลายอีกเดี๋ยวลูกไก่จะตายก็ผ่อนพอพรอีกเอา้าลูกไก่ก็ดิ้นอีกแล้วจะหลุดมือแล้วอก็กำแน่นอีกหน่อยหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าปรับความสมดุลให้พอประมาณเพราะมันไม่ตายตัวใช่ไหมมันไม่ตายตัวมันแล้วแต่ว่าลูกไก่ดิ้นหรือไม่ดิ้นถ้าลูกไก่ไม่ดิ้นไม่ต้องกำก็ได้อ่ามันก็ไม่หลุดมืออยู่แล้วแต่ถ้าลูกไก่ดิ้นก็ต้องกำเน่นนิดนึงแต่ไม่ถึงกับว่าแน่นให้มันตายเออ เพราะฉะนั้นต้องปรับความสมดุลอยู่ตลอดเวลาเลยให้มันมีความจะเรียกว่าพอดีอ่ะแต่มันพอดีจริงๆมันเป็นไปไม่ได้อ่ะนะเพราะขณะวินาทีนี้สมมุติพอดีอ่ะแต่วินีวินาทีถัดมามันไม่พอดีแล้ว่งเห็นไหมต้องเปลี่ยนต้องขยับต้องเปลี่ยนต้องขยับเพราะฉะนั้นเวลาฝึกรู้กายเนี่ยจริงๆฝึกรู้ถานไหนก็แล้วแต่ก็ให้มันมีความพอดีพอดีในนี้มันเป็นภาษานะเอาเป็นว่าพอประมาณว่าเออ อย่าตึงอย่าหย่อนเกินไปเพราะงั้นถ้าเราฝึกรู้ตัวเนี่ยตัวนั่งอยู่นะะเนี่ยนั่งอยู่ฝึกรู้มันรู้ได้นี่เห็นไหมไม่ต้องใช้ตามองเพราะว่าธรรมชาติเดิมอ่ะที่มันให้มาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ตัวที่ว่าทําให้รู้ได้อ่ะนะเขาเรียกว่าจิตก็ได้อ่ะแต่ทีนี้เอาเป็นว่าธรรมชาติที่ให้มาเนี่ยเรื่องของการรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอ้าวตั้งใจลงมาหน่อยนึงรู้ตัวเอง ว่านั่งอยู่อเมื่อรู้ตัวเองนั่งอยู่ก็ไม่ต้องไปทํากิจอย่างอื่นเรา ก, ก็นั่งรู้อยู่อย่างเนี้ยแต่รู้แบบคลายคลยแบบแบบสบายสบายไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปอย่างนเนี้ยเนี่ยลูกไก่ในกํามือเนี่ยกำประมาณอย่างเนี้ยอ่าทีนี้พอนั่งไปสักพักหนึ่งพวกเนี้มันจะต้องต่อเนื่องใช่ไหมเออยิ่งต่อเนื่องนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นธรรมเห็นสภาวะมากขึ้น แล้วก็นั่งไปดูกายนั่งตัวตรงดูกายหายใจก็แล้วแต่เคยจะไปจับจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียวก็ได้หรือว่าจะดูโดยรวมรวมดูทั้งตัวดูรวมรวมไม่เพ่งไม่จ้องไปที่อวัยวะส่วนใดย่อมได้หมดเพราะว่ามันเรื่องของกายมันอยู่ในหมวดกายหมดก็นั่งให้สบายพอนั่งให้สบายนอกจากรู้กายแล้วนะตอนแรกมันเริ่มรู้กายใช่ไหมทีนี้ถ้ามันมีสติอย่างเห้ยมันก็ต้องรู้เวทนาในกาย นั่งไปสักพักหนึ่งจะรู้เลยว่าเริ่มเหน็บและเริ่มปวดแล้วเห็นไหมนี่มันมีแล้วทีนี้มันแล้วแต่ว่าสติมันจะระลึกได้ในในเรื่องของอะไรใช่ไหมเพราะว่าปกติเราไม่ต้องกําหนดว่าไปอยู่กับฐานไหนมากมายเพียงแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเพียงแตร่รู้กายแบบเป็นฐานหลักสักนิดนึงแต่ต่อมาเดี๋ยวมันก็จะรู้เวทนาใช่ไหมความรู้สึกไม่สบายทางกายรู้ไปรู้ไปแต่ก็ให้มา อย่าอย่าไปอยู่กับเวทนาหมายความว่าเวทนาเนี่ยเป็นแค่รู้เฉยๆแต่ว่าอย่าไปสนใจมันมากเพราะว่าถ้าสนใจมันมากเดี๋ยวมันจะย้ายฐานจากกายไปอยู่ฐานเวทนาใช่ไหมเออเนื่องจากว่าหลวงพ่อต้องการเหมือนกับว่าทํานองว่าเออให้รู้กายเป็นส่วนมากก่อนก็รู้กายไปพอรู้กายเวทนาก็มีเอานั่งไปนั่งมาก็เห็นความคิดมันก็คิดแวบนึงเออบอกทีวียังไม่ปิดอ่อนผ้ายังไม่ซัก รถยังไม่ได้ล้างอมันก็คิดวับวับวับวั บ, บแต่ไม่สนใจแต่รับรู้ได้แล้วให้กลับมารู้กายที่นั่งใหม่เป็นจุดเริ่มต้นรู้เบาๆนั่งไปนั่งมาเดี๋ยวก็มีอาการเกิดขึ้นมากมายเนาะในกายก็มีอาการเกิดขึ้นในจิตในเวทนาในจิตก็เริ่มมีความคิดเริ่มมีความรู้สึกเริ่มมันบ่นมันพูดมันพากแต่ก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันแต่รับรู้ได้เพราะว่าเอาฐานกายเป็นเป็ น, ปนฐานหลักไว้ก่อน แล้วก็ทำไปทามาเดี๋ยวกความง่วงใช่ไหมความง่วงอาจจะมาแล้วอ่าเริ่มมาแล้วหรือความลังเลสงสัยอ่านหนังสือมาเยอะพอนั่งปฏิบัติโอยมันปรุงแต่งมันคิดมันนึกแล้วก็เกิดลังเลสงสัยมากมายแล้วก็เกิดอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกอาจจะเป็นนิวรก็ได้เยอะแยะไปหมดแต่ไม่สนใจไม่สนใจพวกนั้นเพราะว่ากำหนดฐานกายเป็นหลักไว้ก่อนเนี่ยทีนี้ถ้าทำให้ต่อเนื่องนานๆนานามันยากตรงไหนอะ เห็นไหมตำราเป็นแค่เพียงบอกแผนที่ว่าเออวิธีทำก็คือเนี่ยมารู้หัดรู้เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เถียงกับใครแล้วก็นั่งรู้อยู่คนเดียวรู้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็พูดรวมๆ ว, ว่าขณะที่เราฝึกแบบเนี้ยมันก็รู้โดยทั่วถึงก็คือว่ารู้ทั้งกายรู้ทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมมันแหละจะ ก, กําหนดให้มันรู้กายอย่างเดียวอย่าไปรู้สิ่งอื่นมันทําไม่ได้เพียงแต่ว่าเอออย่าทิ้งฐานหลักเอาฐานหลักเป็นฐาน ฐานตั้งต้นไว้ก่อนอันนี้หลวงพ่อพูดถึงในจุดเริ่มต้นเน่นะจุดเริ่มต้นทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ต่อมาทีก็ฝึกมาเรื่อยๆอเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าแค่นี้มันจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแต่การพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฟังใช่ไหมการฟังมีกัลรรยะาณมิตรแนะนำต่อยอดให้ว่าเออเมื่อรู้อย่างนี้แล้วแล้วต่อไปจะรู้ยังไงแต่จริงๆอะ่ะ ไอ้คำถามที่เราถามว่าต่อไปจะรู้ยังไงอ่ะนะจริงๆอ่ะมันมีคำตอบในตัวเจ้าของหมดแล้วเพราะว่าสภาพธรรมะมันก็แสดงให้ดูเนาะเพียงแต่ว่าเออเราอาจจะไม่รู้จักว่าต้องรู้ยังไงอีกจนกระทั่งมีผู้บอกว่าสิ่งที่จะรู้ต่อมาก็คือเหมือนกับว่าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วเนาะเริ่มรู้จักกายกายนิ่งกายเคลื่อนไหวกายกระดุกกระดิกเริ่มรู้จักแล้วเวทนาคือความไม่สบายกายก็เริ่มรู้จักแล้ว ไอ้ความคิดจิตต่างๆอารมณ์ต่างๆเริ่มเกิดขึ้นในขณะที่นั่งแบบนี้ก็เริ่มรู้จักแล้วแล้วก็พวกนิวรณทั้งหลายนี่เนาะอ่าก็เริ่มรู้จักแล้วอ่าเมื่อรู้จักแล้วนี่ไงแต่นี้ได้จุดเริ่มต้นแล้วว่าอ๋อเริ่มรู้จักแล้วต่อมาก็พิีรณาต่อว่าไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้รู้เนี่ยไม่ว่าในทางกายก็ดีทางเวทนาก็ดีทางจิตก็ดีทางหมวดธรรมะต่างๆก็ดีเนี่ยมันมีความเที่ยงแท้แน่นอนไหมล่ะ อ่าตรงนี้เริ่มสําคัญแล้วมันมีความเที่ยงแท้แน่นอนไหมละ่ะอย่างเรื่องกายเนี่ยที่นั่งอยู่ตอนแรกน่ะ น, นั่งตัวตรงอย่างเงี้ยเอามือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงแล้วพอไปทํามามานึกได้อีกทีเอา้าทําไมตัวโกง่งตัวงอไปแล้วอะ่ะอ่ามันนึกขึ้นได้ว่าโอ้นี่แสดงว่ามันไม่คงที่นี่จากนั่งตัวตรงมันก็กลายเป็นนั่งไม่ตรงไปเสียแล้วมันมันเป็นตัวตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามารู้ตอนนี้ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่คงที่แล้วอหรือว่าจะพิจารณาความทางเวทนาเนาะความไม่สบายกายตอนนั่งใหม่ๆมันก็ปกติเนาะมันรู้สึกว่าไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอะไรอพอนั่งไปนานๆเป็นยังไงอ่ะมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วความเจ็บความปวดความเมื่อยมันเริ่มมามันเกิดก็เรียกว่ามันเกิดมันเกิดพอมันเกิดแล้วเนี่ยเมื่อปฏิบัติหลายๆครั้งเข้านานๆครั้งมันก็าบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอ๋อ ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่ามันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงใช่ไหมมีแล้วหายไปมีแล้วหมดไปเนี่ยเริ่มพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ได้แล้วว่าโอ้ร่างกายก็แสดงความเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเวทนาก็แสดงความเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นคือมันมีความไม่คงที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าถ้ามันคงที่นะ ถ้ามันคงที่เช่นทางร่างกายถ้ามันคงที่เนาะถ้านั่งอย่างไงมันก็ต้องนั่งอยู่อย่างนั้นแหละถ้านั่งตัวตรงมันก็ต้องตรวจตรงตลอดปีตลอดชาติไม่มีวันเปลี่ยนแต่ทําไมมันมันไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันเป็นทุกข์ไงเออแล้วก็มันเป็นเองมันเป็นเองก็คือว่าเราอะไม่ได้ทําให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นเองไอ้คําว่าเป็นเองเนี่ยตรงนี้สําคัญมากในเรื่องของอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เป็นสิ่งที่บงังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเป็นเองคือเราไม่ได้ทําให้เป็นตรงนี้แหละมันก็จะเข้าใจทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตานะทีนี้เอา้ามาถึงเวทนาแล้วเห็นความไม่เที่ยงอ่ะมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจิตจิตคิดจิตนึกมันคิดเป็นขณะเป็นคิดขณะจิตเนาะอารมณ์ต่างๆต่างๆมันก็เกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปอา้าวนิวรณ์ต่างๆในหมวดธรรมะธรรมารมณ์ อา้ามันก็เหมือนการเกิดแล้วหมดไปเกิดแล้วหมดไปบางวันก็ดีบางวันไม่ดีอา้าวตรงนี้ก็เห็นความเป็นใจรักณ์เป็นความไม่เที่ยงแล้วนี่ตรงนี้มันเป็นปัญญาปัญญานี่แหละตรงนี้อตรงสําคัญไงเราปฏิบัติธรรมนี่นะถ้าเราฟังธรรมะไม่ตลอดนะเรานึกว่าทําแค่ให้จิตสงบให้นิ่งให้สบายให้ไม่คิดไม่เนึกอแล้วไม่ต้องพิจารณาอะไรขอความสบายเป็นต้นทุนไว้ก่อนอันนั้นมันก็ถูก แต่มันก็ถูกในระดับเขาเรียกว่าทําจิตให้สงบเพื่อพักผ่อนทางจิตเนาะเหมือนกับว่ามันเครียดมานานแล้วมันเหนื่อยมามากแล้วไห้ขอพักผ่อนสักหน่อยเถอะ อ, อให้มันหยุดคิดเสียมั่งให้มันแบบเออให้มันได้พักผ่อนทางจิตเนาะทำให้จิตมีกําลังทําให้จิตเป็นสมาธิอะไรเงี้ยสบายอันนั้นมันก็ถูกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นี้มันจะต้องต่อยอดก็คือว่าให้เห็นสัจจ์ความจริงคือเห็นความเป็น อ น, นิี้ยังทุกขังอนัตตาของกายของเวทานาของจิตของธรรมนี่แหละ เ, ออเห็นความเปลี่ยนไปอย่างนี้มันจะได้เกิดปัญญาแต่คนส่วนมากส่วนมากไปติดอยู่ตรงที่ความความสงบความสุขความสบายนะถ้าพอใจแค่นั้นมันก็ยังมียังเวียงเกิดเวียนตายอยู่เพราะยังไม่จบหลักสูตรไงออพอหลักสูตรเนี่ยมันต้องเรียนถึงความเป็นไตรลักษณ์คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ไหมคือมันเป็นสังขารที่มีความไม่เที่ยง สังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะมันเป็นอนัตตาแล้วก็สิ้นยึดนูน่นจนกระทั่งเขาก็ไม่มีตัวตนแล้วแล้วก็ไม่มีตัวตนที่จะต้องไปยึดอะไรอีกเลยอะ่ะเออมันเป็นความว่างเปล่าอะ่ะว่างจากตัวตนนะนั่นปลายทางมันอยู่ที่ตรงนูน่นแต่ถ้าเราไปติดสุขแค่แล้วมันก็ยังมีเราอยู่อ่ะเรามีความสุขแล้วชาตินี้เรามีความสุขโอ้ยเรามีความสุขมากเห็นไหมมันมีเราไงถ้ามันมีเรามันก็ ก็ยังเป็นเราอยู่แล้วก็มีพบมีชาติต้องไปเกิดเวียนเกิดเวียนตายไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องผ่านนู่นผ่านความเป็นเรานั่นแหละ เ, ออเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนในในใจ ล, นลักษณะที่3ามเรื่องอนัตตาเนี่ยศาสนาอื่นเขาไม่สอนกันเขาไปไม่ถึงศาสนาอื่นอาจจะสอนแค่อนิจจังนะแล้วก็ทุกขัง แต่พระพุทธเจ้านุ่นสอนถึงความเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือหมดเลยเหลือแต่ขันห้าเหลือแต่ธรรมชาติที่เป็นสังขารปรุงแต่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไปทีนี้พอหลวงพ่อพูดมาถึงขั้นนี้แล้วนะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าพูดให้ฟังถ้าโยมฟังแล้วจําได้แล้วเข้าใจได้เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยได้แค่รู้แล้วได้เขาเรียกว่าได้แผนที่เนาะเป็นเหมือนกับอ่านหนังสือนั่นแหละถ้ายังไม่ไปปฏิบัติเอง มันก็เหมือนกับว่าออฟังแล้วรู้แล้วแล้วก็ไปพูดไปคุยว่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วโอ้อยางนี้ยังไม่ได้อะไรเลยเพราะว่านู่นไอตัวที่มันให้เป็นมรรคเป็นผลนู่นต้องไปลงมือกระทํานู่นให้เห็นตามความเป็นจริงคือให้เห็นด้วยตนเองนะให้แจมแจ้งด้วยตนเองให้เป็นสติสมาธิปัญญาของเจ้าตัวไม่ได้เป็นของคนอื่น ตอนนั้นที่เราคุยธรรมะเนี่ยฟังธรรมะวันนึงไม่รู้กี่รอบอ่ะนะฟังฟังแต่ไม่เคยไปไปไปลองกระทําเลยอ่ะมันมันไม่ได้เกิดมรรคผลอะไรหรอกได้แต่ความรู้อย่างเดียวแล้วก็พอรู้แล้วก็ไปถกไปเถียงกันก็ยิ่งฟังมากมันก็รู้มากอย่างที่หลวงพ่อบอกในตอนต้นน่ะเนาะฟังมากอ่านมากรู้มากก็รู้ไปหมดแหละเคยพูดอะไรรู้ไปหมดแต่มันรู้จากสัญญาจําได้มันไม่ใช่รู้แบบการสัมผัสรู้ไม่ได้รู้ด้วยสติปัญญาที่เป็นของของตัวเองอ่ะ ออตรงนี้เราเป็นเรื่องสำคัญมากที่หลวงพ่อพูดตรงนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อก็เป็นมาก่อนเหมือนกันแหละสมัยเริ่มต้นเรียนใหม่ๆเนาะเริ่มอ่านเริ่มอะไรก็เริ่มเข้าใจก็มาคุยในธรรมะมาเช็ดมาโตเถียงกันน่ยแต่จริงๆอะโถที่พูดมาทั้งหมดอะความจำทั้งหมดเลยปฏิบัติยังไม่ได้สักเท่าไหร่เลยอะแต่ไม่รู้ไงไม่ ร, มรู้ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติกับความจำมันต่างกันอย่างไร แต่เมื่อเราใจมันชอบไปแล้วมันศรัทธาไปแล้วอ่ะมันต้องลงมือกระทาทำความเพียรหนุนนะถ้าฝึกรู้กายก็เดินจงกรมนะถ้าฝึกหลวงพ่อเทียนก็ยกมือสิบส่จังหวะทั้งวันทั้งคืนนะสลับกันตลอดนะหรือว่าระหว่างในชีวิตประจำวันน่ะได้หลักมาแล้วนี่ว่าเรื่องการรู้สึกตัวฝึกยังไงเดินยืนนั่งนอนอะไรก็เนี่ยฝึกเพราะฉะนั้นใช้จริงในชีวิตประจาวันเลย เช่นการกินการเคี it, wider, assim, ้ยวอย่างเงี้ยเอาถึงเวลากินเราก็มาฝึกรู้ตัวกับการกินใช่ไหมเวลานอนเราก็มาฝึกรู้สึกตัวกับการนอนเวลาเดินเราก็ฝึกรู้สึกตัวกับการเดินเวลายืนเราก็ฝึกรู้สึกตัวกับการยืนฝึกกันทุกอินิยาบทยกเว้นมันลืมลืมแล้วก็แล้วไปนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็อ้าวเริ่มมีสติแล้วก็ฝึกฝึกไปมันก็ลืมอีกพอลืมอีกแล้วึกขึ้นได้ว่าลืมอ้าวก็เริ่มใหม่อีก มันก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่แบบเนี้ยเรื่อยไปอ่ะทีนี้ไอ้ปัญญานี่นะมันก็มีเป็นชั้นชั้นชั้นชั้ชั้นชตอนมันก็เข้าใจมาตามลําดับแหละเนาะเออเข้าใจตามลําดับแต่ว่าไอ้ปัญญาสูงสุดน่ะที่มันสูงสุดจริงๆอ่ะที่ว่ามันพ้นทุกข์ได้จริงมันดับทุกข์ได้จริงอ่ะนั้นแหละมันบอกกันไม่ได้เพราะว่าเรื่องปัญญาเนี่ยมันให้กันไม่ได้เพียงแต่พูดให้ฟังแล้วก็ให้ไปทําเอาเอง ทำไมจึงบอกว่าปัญญาให้กันไม่ได้ก็เพราะว่าดูพระพุทธเจ้าติเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รอบรู้รู้ทุกอย่างเนาะแต่ท่านเวลาท่านสอนท่านโปรดอะ่ะออก็โปรดได้แค่บางคนน่ะไม่ได้หมดหรอกแล้วคนที่โปรดไม่ได้ก็มีอีกเยอะ ท, ทั้งทั้งที่ปัญญาของท่านมันเยอะแต่ทำไมคนไม่บรรลุธรรมะ่ะก็เพราะว่าปัญญาของคนน่ะมันไม่เท่ากันทีนี้พวกเราก็เหมือนกันะนะที่เข้ามาห้องห้องคับเฮาต่างๆะนะ ทำไมต้องคนนั้นออกความคิดความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็พัฒปัญญาไม่เท่ากันจริงๆมันก็เป็นธรรมดานอยู่นั่นเองอ่ะเนาะอือยู่นั่นเองแต่ทีเนี้เรื่องอยากให้ปัญญาเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยโยมเข้ามาอยู่ในห้องคบเพาตอนนี้เนาะกี่คนก็แล้วแต่หลวงพ่อพูดแบบเนี้ยบางคนก็อาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เห็นไหมหลวงพ่อพูดเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องเนี้ยแต่คนรับฟังอะเข้าใจไม่เหมือนกันหรือเข้าใจไม่ได้ก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าถึงเข้าใจไม่ได้ยังไงก็ต้องต้องฟังต้องศึกษานะไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไหมนุ่นแหละแล้วก็มันก็สะสมเนาะพ่อคูณปัญญาไปเรื่อย ๆ, ๆื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองแต่ว่าจะได้ในชาติไหนมันก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่สิ่งที่ต้องทำคือต้องเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เนาะเดี๋ยวนี้ตอนนี้จริงๆ เพราะว่าการพ้นทุกข์ในจริงๆมันก็ต้องพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้ปัญญาหรือต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเกิดในปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละสิ่งที่อดีตไปแล้วมันก็จบไปแล้วมันหมดไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะอืทีนี้อ่ะหลวงพ่อก็พูดคนเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้พวกเราไ ด, ได้ได้แสดงความคิดความเห็นแต่ต้องเดี๋ยวใครพูดเรื่องไม่เป็นความรู้สึกตัวเรหลวงพ่อกระตุกให้นะเออ เพราะว่าถือว่าเพื่อกลูนกันจริงๆนะเราไม่ได้พูดเพื่อแบบจะเอาความรู้จากเรื่องอื่นมามาพูดกันพอพูดได้แต่ว่าเน้นกันว่าขณะพูดเนี่ยต้องรู้ตัวว่าตัวเนี่ยกำลังพูดอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแม้พูดไปแล้วก็เพ่งเพื่อที่จะให้รู้ตัวอยู่อย่างนั้นมันก็ตึงเกินไปอีกก็คือพูดไปก็พูดไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็ลืมบ้างรู้บ้างลืมบ้างรู้บ้าง อแต่การที่มันลืมบ้างรู้บ้างเนี่ยต่อมามันก็จะพัฒนาได้เองแหละว่าเออตอนนี้กําลังพูดอยู่นะกําลังพูดอยู่แล้วก็น้ําเสียงที่พูดมันเป็นยังไงเสียงดังไปไหมอ่าท่านึกได้ขึ้นมาเอยเสียงดังเกินแล้วอ่ามันก็เพลีลงมาหรือถ้าพูดแล้วมันมันมันยังไงเขาเรียกว่ามันลืมตัวไปแล้วเนี่ยมันนึกได้เดี๋ยวมันก็เออมันก็อาจจะปรับแต่งนิดหน่อยคือมันจะปรับปรุงของมันเองอ่าแล้วทีนี้ระหว่างพูด นะถ้าคนที่มีฝึกสติอยู่มันก็ดูใจเขาว่ารับรู้ทางใจอยู่บ่อยๆเนืองๆว่าขณะที่พูดเนี่ยเออเวลาสมมติว่ามีพูดมีคู่มีคู่สนทนาใช่ไหมออกความคิดออกความเห็นกันเนี่ยมันจะรับรู้ทางใจได้ง่ายมันรับรู้ทางใจยังไงเช่นส่วาหลวงพ่อพูดเนาะหลวงพ่อพูดแบบนี้พอพูดแบบนี้เสร็จแล้วอ่ะหลวงพ่อก็ให้คนอื่นขึ้นมาพูดบ้างพอคนอื่นพูดมาพูดขึ้นมาพูดบ้างเนี่ย ถ้าถ้ามีสติเนี่ยมันจะเห็นในจิตในใจว่าความรู้สึกของตัวเจ้าของอ่ะมันเป็นยังไงเช่นรู้สึกว่าอืเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดรู้สึกว่าเออมันโล่งมันโปร่งมันเบาสบายก็เรียกว่าเห็นแล้วคล้อยตามไม่ขัดใจกันมันรู้สึกว่าเออมันมันแบบอืมอะไรเนี่ยชื่นอกชื่นใจประมาณอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าคนอื่นพูดแล้วปรากฏว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับเราอย่างเงี้ยความรู้สึกมันขัดใจกันอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็เห็นได้ง่ายอีกว่ารู้สึกว่าขัดแล้วนะขัดค้องแล้วนะรู้สึกไม่ชอบแล้วนะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจซึ่งรับรู้ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้อะไรตรงนี้สําคัญนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นฐานเขาเรียกว่ามันเป็นฐานที่ตั้งของสติไงเช่นความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยมันเป็นเวทนาใช่ไหมเป็นความรู้สึกก็เอาความรู้สึกนั้นเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นเครื่องรู้ของสติเสีย คือระลึกได้ขึ้นมาว่าเออมันชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะเพียงแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงมันชอบก็รู้ได้เนี่ยว่ามันชอบชอบแป๊บเดียวพออีกหน่อยมันก็ไม่ชอบอ่ะก็รู้ได้ว่าไม่ชอบแล้วพอคุยไปคุยมามันชอบอีกแล้วอ่ะก็รับรู้ได้อีกว่ามันชอบแล้วก็จะเห็นเลยว่าความชอบกับความไม่ชอบะมันก็เป็นแค่อาการเนาะเป็นสิ่งที่มันเกิดเป็นธรรมชาติธรรมดามันก็มีแล้วหมดไปตรงนี้เห็นไหมเดินปัญญาได้เลยว่า เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นปกติเป็นปกติของคนที่มีชีวิตอ่ะไม่ได้ห้ามอะไรนะอก็เอามาเรียนรู้ว่ามันมีอาการเช่นนั้นก็รับรู้รับทราบแล้วก็อาการเช่นนั้นมีแล้วดับไปมีแล้วหายไปก็รับรู้รับทราบอาการรับรู้รับทราบเนี่ยเขาเรียกว่ามันรู้ด้วยใจเนาะใจที่มีสติเนี่ยมันก็ได้แต่รับทราบทราบทราบทราบ แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยนะมันจะไปแทรกแซงไปแทรกแซงเพื่อที่จะให้มันดีอ่ะสิ่งไหนไม่ดีก็ปัดออกปัดออกไปกดไปขม่มไปวุ่นวายกับมันอันนั้นผิดออมันไม่มไ ม, ม, ไ ม, ม, ไม่มันไม่ถูกในหลักของการเจริญปัญญานะไม่ถูกในเรื่องของหลักการเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียนให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยง่ายๆเลยระหว่างปัจจุบันเดี๋ยวนี้ยระหว่างที่นั่งฟังอยู่ก็ดีกําลังพูดก็ดีกําลังอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันมีความรู้สึกอะไรในใจอ่ะให้แต่รับทราบแล้วก็ไม่ต้องพูดด้วยเพราะว่าเราปฏิบัติคนเดียวนี่เนาะเราไม่ต้องบอกใครว่าทราบแล้วทราบหนอทราบหนอไม่ต้องเลยพราะถึงแม้ว่าไม่บอกว่าทราบมันก็ทราบอยู่แล้วไงแต่ถ้าบอกว่าทราบมันก็กลายเป็นเป็นเบิลขึ้นมาอีกมันก็เป็นความปรุงแต่งตัวใหม่เนาะก็เลยรับทราบแบบเขาเรียกว่ารับทราบแบบรับทราบแบบไม่พูดไม่จาน่ะรับทราบแบบนิ่งเงียบอ่ะเออรับทราบรับทราบอืม แต่ถ้ามันจะพูดก็ไม่ได้ห้ามเช่นมันรับทราบเสร็จแล้วมันอาจจะพูดว่าโอ้ดีจังเลยนะเนี่ยโอ้เข้าใจมากขึ้นก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็ให้รู้ทันว่าอ๋อมันมีตัวพูดตัวภาคขึ้นมาแล้วเออตัวพูดตัวภาคมันก็เป็นปกติธรรมดาของขันห้าซึ่งมันมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันต้องพูดต้องภาคอยู่แล้วเออก็รับทราบมันนะรับทราบรับทราบทีเนี้ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยต่อไปการปฏิบัติธรรมมันไม่ยากเลยไงก็คือใช้หลักการรับทราบอย่างเดียว ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางร่างกายอะไรเกิดขึ้นก็รับทราบนะแต่ไม่ต้องบอกว่าทราบไม่ต้องเลยเพราะว่ามันมันมันไม่จําเป็นอ่าไม่จําเป็นเพราะมันทราบอยู่แล้วเกิดขึ้นในเวทนานะอะไรเกิดขึ้นก็ก็ทราบเกิดขึ้นในจิตอ่าก็ทราบเกิดขึ้นในธรรมะเออพวกนิวรณนต่างๆพวกอะไรต่างๆที่มันเป็นอารมณ์ทั้งหลายธรรมอารมณ์ทั้งหลายอ่ะเนาะก็รับทราบรับทราบฝึกเอาไว้แค่นี้แค่นี้ทําความเพียรมากๆมากๆ แค่นี้แหละมันไม่พ้นหรอกมันไม่พ้นไปชาติอื่นหรอกชาตินี้แหละมันพ้นทุกได้จริงอะ่ะเออแต่ต้องมีปัญญาเนาะเออมีปัญญาคือเห็นตามความเป็นจริงว่าไอสิ่งที่ปรากฏให้รู้มันก็ไม่ใช่เป็นตัวตนอะไรมันก็เป็นแค่สังขาร น, นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่มันพูดภาคได้มันก็เป็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มันมีสิ่งหนึ่งอะ่ะที่ไม่พูดไม่ภาคอนะ่ะคืออตรเนี้ยมันเป็นความรู้ <c oughs> เขาก็เรียกว่าใจก็ได้ มันเป็นใจที่มีความรู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้ใจเนี่ยจะไม่ปรุงแต่งอะไรเลยนะแต่ความปรุงแต่งมันไม่ใช่ใจแต่มันก็อยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละนะเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้มันมันจะง่ายไปหมดไงมันง่ายเออถ้ามันยากมันเอาสมมติว่ามันบอกว่ายากนะเวลามันบอกมันเวลายากเนี่ยมันมันยากตรงไหนรู้ไหมมันพูดขึ้นมามันคิดขึ้นมาไงว่ายาก เพราะนั้นเพียงมีสติรู้เท่าทันว่ามันพูดมันคิดว่ายากก็รู้เท่าทันว่าที่มันบอกว่ายากเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งแต่รู้เท่าทันแล้วว่ายากมันก็ดับไปพอดับพอดับไปเสร็จแล้วความยากความง่ายมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะมันดับไปแล้วพอมันเกิดมาใหม่อีกมันมันบอกว่าง่ายไอ้ความที่ที่มันบอกว่าง่ายมันก็เป็นแค่สังขารปรุงแต่งเลยมันก็ดับไปอีกเพราะฉะนั้นทั้งยากทั้งง่ายอ่ะมันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งเป็นแค่ความคิด เพราะนั้นถ้ามีสติรู้เท่าทันก็จะรู้เลยว่าอ๋อไม่ว่ามันจะพูดยังไงไม่ว่ามันจะภากยังไงมันก็เป็นแค่สังขารปรุงแต่งเพราะนั้นมันจึงไม่ได้ยากเลยมันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ง่ายอะไรล็อกมันเป็นได้แค่รับทราบรับทราบความปรุงแต่งแต่ส่วนมากอ่ะปฏิบัติมันไม่เห็นไอ้ตัวพูดตัวภาคไงก็เลยเข้าไปเป็นเองเข้าไปเป็นเราเสเราเป็นผู้ยากเราเป็นผู้ง่ายเสียนี่แต่ถ้า เห็นมันรู้มันรับทราบมันนะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วเพราะว่าสภาวธรรมเนี่ยมันเป็นสภาวะคนละอย่างกันไงไอตัวพูดภาคมันก็เป็นสภาวธรรมปรุงแต่งใช่ไหมใจซึ่งไม่พูดไม่ภาคเนี่ยเป็นสภาวธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขาร อ, อ่ะอ่าทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จอ่าจะพบเลยว่าไอธรรมชาติจริงๆร่ยมันก็มี2ประเภทเองอะ่ะคือประเภทหนึ่งที่เป็นสังขารปรุงแต่งนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปส่วนประเภทหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีการปรากฏการเกิด ไม่มีการปรากฏเป็นความดับไปคือเป็นธรรมชาติเป็นอมตะเนี่ยตรงเนี้มันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรหรอกไอ้ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนาะแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งมันมีทุกอย่างมีจะเรียกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นของสมมติเป็นของปลอมหมดเลยทําไมถึงเรียกว่าของปลอมก็เพราะว่าสังขารมันเกิดดับอะถ้ามันเกิดมันดับมันก็ไม่ของจริงดิเพราะยังมีการเกิดแล้วมีการดับใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมันก็เป็นของปลอมอยู่แล้วอ่ะ แต่ทีเนี้ยเรายังไม่ยังแยกไม่ออกว่าอะไรของปลอมของจริงก็เลยไปยึดของปลอมมาเป็นของจริงแล้วก็ไม่เคยพบของจริงอย่างเนี้ยทีนี้หลวงพ่อก็พูดให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่ใดมันเป็นสังขารน่ะมันก็เป็นของสมมติเป็นของปรุงแต่งเป็นของไม่จริงแต่ของจริงแท่เนี้ยสัจธรรมแท้คือเป็นความไม่ปรุงแต่งนะเป็นความไม่ปรุงแต่งนั่นหมายความว่ามันพ้นไปหมดจากทุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะเมื่อมีปัญญาเข้าใจธรรมชาติสองสิ่งนี้แล้วเนี่ย ว่าเออไอสิ่งปรุงแต่งก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราแล้วเนี่ยแล้วไม่มีเราในสิ่งใดเลยเนี่ยตรงนี้แหละมันถึงปลายทางที่สุดคือไม่มีเราพอไม่มีเราก็มันจึงเหลือแค่เป็นธรรมชาติไข่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันก็มีแค่นี้เองเนอะอันนี้มันก็จบ